เรื่องหญิงย้ายบ้านหนึ่งเรื่องสมัยนั้นชายคนหนึ่งสั่งภิกษุรูปหนึ่งว่าพระคุณเจ้าท่านช่วยไปบอกหญิงชื่อนี้ภิกษุนั้นไปถามพวกชาวบ้านว่าหญิงคนชื่อนี้อยู่ไหนพวกเขาตอบว่านางย้ายบ้านไปแล้วเจ้าข้าท่านเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอบัดสังฆาทิเศษหรือหนาจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระองค์ตรัสว่า ภิกษุเธอไม่ต้องอบัตสังฆาทิเศษแต่ต้องอบัตทุกกฎวงเล็บเรื่องที่สาม